Namotatsa Agavato Arahatu sama Sambutatsa Namotatsa Agavato Arahatu sama Sambutatsa Namotatsa Agavato Arahatu Sambutatsa Idalih sannipatitaya bhutha-parisaya khatita-bikatha-kati-yate etangbhyang marane te kamano unjani sukha-vahar niti imatsa-tama-pariyaja-cah ตโตชาตาสีมันเตหิเป็นวันจักรังธัมโมโสธัมโมเป็นวัน โมโสสภสิละเป็นวันธรรมัสสวนะพุทธมามกะบริษัททั้งหลายทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตต่าง ปฏิบัติซึ่งบุรภากิจเบื้องต้นมีการ อันเป็นธรรมะกรรมสั่งสอนพระองค์ ได้นําธรรมะคําสอนปุญญานิพระพุทธเจ้าซึ่ง ซึ่งแปลเป็นใจความว่าบุคคลเมื่อเพ่งเห็นในเรื่องบุญทั้งหลายเบื้องขวนขวาย ธรรมะคําสั่งสอนของพระต้องเคารพนับและ ลํามาประพฤติปฏิบัติเหตุที่พระองค์ โดยความเป็นธรรมไม่ใช่ตามความ คือการไม่ใช่เป็นสิ่งจะพึงกิเลสก็การที่จะหมด อย่างนี้เป็นจนนี้เป็นต้นย่อมหาโอกาสและเวลาที่จะมาประพฤติ ผู้พระยอมน้ําฝาดและรับญกย่องสมมุติเป็น ให้ปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์สุดแล้วๆอย่าง แล้วก็เกิดศรัทธาความเชื่อมั่น ประพฤติปฏิบัติกันมาโดยลําดับ อันเป็นตัวเหตุและปัจจัยก่อให้เกิดความทุกข์ เพ่งเห็นมุนกุศลทั้งหลายในดังนี้ซึ่งขวัญขวายบุญกุศล เพราะธรรมดาคนเราที่เกิดมาในโลกโดย ทำกรรมดีก็ย่อมจะมานี้มีวิบากผลบากวิบากผลไม่ดีก็ได้เกิดมาเป็น ชั้นหรือพรหมชั้น 16 ขั้นนี่มนุษย์ก็ดีสวรรค์ก็ดี ทั้ง 2 อย่างนี้ภายในผลคือวิบากได้ จิตใจของเราไม่ประกอบไปด้วยความโลภความโกรธและความ จากการงดบัญคะธรรมซึ่งบาปมีการฆ่าสัตว์ 5 ก็ดี 8 ก็ดี 227 ก็ดีก็ ในทางที่สุดจริตคือไม่เกิดบาปขนาดใดจิตใจของเรา ทางวาจาก็ได้จะการพูดปดเป็นต้นทางจิตใจก็เป็น สองทางทางทางทุกข์กติและทางสุขกติอย่าง มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรม เป็นตัวก่อร่างสร้างให้นี้การท่องเที่ยวในวัฏฏะ สิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี่ทั้งหลายที่กล่าวมานี้ได้ทั้งหมด นั่นเป็นพบเป็นภูมิของสัตว์ผู้ที่มีรูปภพภูมิสําหรับอยู่และ สิ่งเป็นผลสัตว์มนุษย์ดีและชั่วความยินดีต่าง ประกอบด้วยรูปและประกอบด้วยกามคุณเช่นเดียวและพรหมโลกนั้นเป็นอรูปเป็นภพภูมิที่ไม่มีรูปปรากฏไม่มีขันธ์ทั้ง 5 อย่างพวกเรา ขันธ์ทั้ง 5 คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างที่พวก เช่นเดียวกับพวกเรามนุษย์ก็มี ในเป็นเครื่องตอบแต่งกรรมภายในเป็นเครื่องตก โดยไม่ต้องสงสัยก็ไม่ต้องละมีการงดเว้นการ เป็นต้นดังกล่าวนั้นมาแล้วแล้วเป็นผู้ที่ เป็นจริตนิสัยหรือสัญดานของพวก ให้ดำรงทรงอยู่หรือเจริญยิ่งขึ้นศรัทธาก็พยายามตรึกบำรุงให้แก่กล้ามากขยันฟังขยัน จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงนั้นๆหรืออย่าง ทางที่ผิดที่ด้วยกายเป็นต้นเสียแล้วพยายามแก่การทําบาปด้วยกายเป็นต้น วิริยพิจารณาควบคุมรักษาจิตใจเสมอๆทางด้านสติปัญญาของผู้เราทั้งทั้งหลายก็ ได้ยินด้วยหูบ้างได้สูดกลิ่นด้วยจมูกบ้างลิ้มรสด้วยลิ้นของเราบ้างถูกต้องด้วยกายของเราบ้างแม้ในที่สุดธรรมรมจะเป็นนิททารมและจะราบยศสรรเสริญและความสุขเกิดขึ้นก็ดีอนิททารมอรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความปราถนาเสื่อมราบเสื่อมยศนิทาททุกข์ เราก็ได้พยายามน้อมพินิจพิจารณาอย่างลงสู่ความถูกต้อง ในได้มองเห็นหรือสร้างความว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ ซึ่งเมื่อคนเราเกิดมาแล้วจากผลบุญและบาปเป็นผู้ตก อันนี้เป็นด่านสุดท้าย โดยไม่มีทางใดทางหนึ่งที่จะหลีกเลี่ยงให้รอดพ้นไป มีความตั้งอยู่เป็นอยู่โดยอาการอย่างนี้ย่อมเป็น ผลของการเกิดก็คือความแก่ความเจ็บและความตายเป็นที่ ก็มีความกลัวใดที่จะเกินไปกว่าเพราะมันเป็นสิ่งที่น่า เพราะความตายใครๆก็รู้ว่าความตายมาถึงแล้ว ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่น่าอะไรอาวร ของพวกเราท่านทั้งหลายนี้เองรูปขันธ์ เราจะรู้ได้ด้วยการสัมผัสภายในจิตใจของเราหรือใน ตถกัมมสุขเวทนาเวทนาแปลว่าความเสวยหรือความรับรู้เฉพาะสิ่งที่เกิด กิดใจ Rigor we contemplate the holodyr limft โดยที่ เราเข้าหรือเรายังสร้างเหตุอยู่แต่ไม่สามารถที่จะรักษาให้ดํารงทรงอยู่ตามความปรารถนาของๆกับว่ามันดับลงไปโดยที่เราไม่ต้องการ มันเจ็บไข้ได้ป่วยโดยที่เรานี่เมื่อมันดับลงทุกขเวทนาใจเส vời รับนี่ มันสลับสับเปลี่ยนกันอยู่ รูปธรรมนามธรรมอีกเช่นเดียวกัน แต่ขึ้นในจิตมันก็ตกไปเป็นสัญญา อาจารย์ยังว่าวันนี้เป็นวันปณณลสิที่ 15 นี่ มันเป็นหน้าที่สําหรับบุคคลผู้ อบรม몸อบรมกายบ่มจริตนิสัยคือจิตใจ สำรวมวาจาของเราด้วยข้อปฏิบัติศีลบ้างศีล 8 บ้างศีล 10 บ้างศีล 227 บ้างเมื่อเรา เมื่อเรามาเจริญสมถกรรมฐานเราก็จะได้ความสงบมีปัฏฐานกรรมฐานเราก็จะได้รับความรู้ซึ่งเป็นความรู้เกิดขึ้น เรื่องคุณงามความดีก่อนที่เราจะจากบ้านจากกุฏิ เรื่องกินเลี้ยงไทยนับถ่ายเบาเรื่องหลับเกรื่อนนอนเรื่องมโนสารเลยเฉพาะเป็นบุญก็ไม่เร วิญญาณคือความรู้แจ้งในทางตาหูจมูกลิ้นใสคือเปร็จ ถ้าเราเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรมณ์อันเป็นที่ ถ้ามันได้สมหวังมันก็กลับเป็นโทมนัสความเสียใจความคร่ำเคือนใจแล้วก็ไปยืนเดินนั่งนอนละทนทุกข์ดังนั้นจึงนิยัติสัมผัสธรรมรมเกิดขึ้นแล้วไม่เป็นที่ตั้งแห่งความน่ารักให้พอใจ ไม่น่าพอใจไม่น่ายินดีมันก็โลภประสาทไว เพราะจากความรู้เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้อะไรคือ มีแต่ชื่อไม่มีรูปไม่มีเสียงไม่ไม่มีรูปไม่แสงมีสีที่ <c oughs> เราเกิดขึ้นมาแล้วเรา ผลของการกระทํานั่นแหละมีชื่อว่าเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายเมื่อกล่าวสั้นๆโดยสรุปแล้วพวกกรรมนั่นแหละเป็นที่พึ่งกรรมนั่นแหละเป็นชื่อสร้างก่อให้เกิดซึ่งความสุขและ <c oughs> การที่กล่าวโดยทั่วไปก็จะ ญาติโยมฌานก็มีข้อวัดปฏิบัติด้วยกันทั้งนั้นข้อวัดปฏิบัตินั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นที่ตั้งแห่งการๆก็ตาม ในการในการในงานในหน้าๆปรากฏสัมปชัญญะคือความรู้ ถ้าเกิดสะแกประโยชน์ภายนอกถึงประโยชน์ภายนอกชำทำดูความขาดชติ แต่เมื่อเรามีสติสัปปชัญญะเป็น ศุติวิหารเครื่องใจเครื่องสอยวัดเพราะไม่มีการพัฒนาหมดเครื่องใจ ขณะเกิดขึ้นจากความตายเป็นที่สุด ที่เราไปเห็นเลือกแก่มันหลัง ทุกชั่วโมงทุกวันคืนและเดือนปีมากจึงไม่ปรากฏ ความเจ็บไข้ได้ป่วยของเรา โลกคือความโลภความโกรธความหลงโลกคือความรักความชังหลงรักหลงชังโลกคือมานะทิฏฐิสันหาความเที่ยวตยานอยากไม่มีที่ ถ้าเรามาเปลี่ยนเพ่งกันจริงๆแล้วนี่แหละคือภัยในที่ เราตายไปจากคุณงามความนอนหลุดจากความวุ่นว้านวิจิกิจฉาความ พอจากบ้านมานั่งอยู่ในวัดออกจากกุฏิมานั่งอยู่บนวิหารหลังนี้ใครพ้นมันบ้างทนที่ไม่ให้มันย่ําดียกกิฏของเรานี่แหละมัน ให้เห็นภัยภายในของเราอย่าไปเห็นภัยภายนอกภัยภัยรอบมันมีอยู่ดินดาดเห็นตั้งแต่เกิดจนถึงป่านนี้ได้ โลกความต่อตรงความแตกต่างจากการที่อยู่ในภัยกับพ้นภัยนั้นมันต่าง มองเห็นภายในมรณะคือความตายเป็นที่ตั้งจึงได้พากัน เราก็ไม่เสียชาติเกิดก็ไม่เสียชาติเกิดไม่เสียชาติที่เกิดมาในชาตินี้ได้พบพระพุทธศาสนาศรัทธาของเรามีมา กระเจ้าบอกว่าพวก